ว่าจางวังรำสอนลูกชายในเรื่องของการเลือกผู้หญิงอย่างไรจดหมายจางวังรำตอนที่ห้าค่ะคราวที่แล้วนะคะ พูดถึงแม่ผีเสือ้อว่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับสวยอย่างเดียวเป็นที่เชิดหน้าชูตาสามีในเรื่องของความสวยความงามแต่ว่าไม่มีความสามารถด้านอื่นคือมีแต่รูปสมบัติแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติทีนี้มาถึงอีกประเภทหนึ่งนะคะจางวังรำ ว่าอย่างนี้ค่ะสมมติว่าแม่มึกหกเป็นคนมีคุณความดีมีความสามารถเป็นประธานในมนตรีสภาแห่งบ้านได้และแม่ผีเสื้อเป็นคนจำเริญตาเชิดชูความงามของโลก้าเจ้าได้หญิงที่ประชุมคุณความดีและความงามของแม่สาวทั้งสองชนิดนั้นก็เป็นเอก แต่เห็นจะหายากสักหน่อยในเวลานี้เจ้าตกอยู่ในความรักอันลึกเจ้าคงจะกล่าวว่าความสามารถของแม่หมึกหกและความงามวิเศษของแม่ผีเสื้อนั้นประชุมอยู่ในตัวแม่สาวของเจ้าถ้าเจ้ากล่าวเช่นนี้ข้าก็ไม่มีความรู้ที่จะคัดค้านหรือรับรองเจ้าได้ในเรื่องความเห็นงามไม่มีใครมีอำนาจจะเถียงเจ้า และในเรื่องความเห็นดีนั้นถ้าเจ้าไม่มีปัญญาเห็นของจริงได้ในอายุเท่านี้ก็เป็นที่สิ้นหวังว่าเจ้าจะเห็นได้ในชีวิตของเจ้าตลอดไปบัดนี้จะสมมุติว่าเจ้าเลือกได้แม่สาวซึ่งทรงคุณเป็นที่พอใจทุกประการไม่มีนางใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนแต่เจ้าจงต้องอย่าลืมว่าในเวลานี้เจ้าเห็นแม่สาว ในขณะที่เจ้าหล่อนตกแต่งเต็มเปี่ยมทั้งกายวาจาใจเวลาที่พบคงจะเป็นเวลาที่ล้างหน้าทาแป้งมาเรียบร้อยหาใช่เวลาที่หน้าตายุยี่อย่างเมื่อตื่นนอนใหม่ ๆ, ๆไม่ส่วนถ้อยคำน้ำเสียงและกริยาอาการทั้งปวงก็แต่งขึ้นสำหรับรับตรวจทั้งนั้นในเวลานี้ใจขอเจ้าหล่อน คงจะชุ่มชื่นเสมอน้าดอกไม้เทศแต่ถ้าเจ้าลองทำให้ขัดใจดูบ้างบางทีก็จะเป็นประโยชน์เพราะจะเห็นได้ว่าแม่สาวของเจ้าเป็นคนพ่นความโกรธเป็นไฟหรือไม่หญิงที่พ่นไฟในเวลาโกรธนั้นก็ร้ายพอแรงการอยู่แต่หญิงที่โกรธฮึดอยู่นิ่งๆ น, นั่นร้ายมากกว่านางประเภทที่หนึ่ง อาจปึงปังถึงต่อยถ้วยต่อยชามก็เป็นได้แต่นางประเภทที่สองนิ่งอมดินดำกรรมมาถันเข้าไว้ทำให้เจ้าไม่มีเวลาวางใจเลยคอยจะสะดุ้งอยู่ร่ำไปเพราะแกจะระเบิดขึ้นเมื่อไรก็หารู้ได้ไม่เมียโทโสร้ายนั้นเคยได้ยินฝรั่งกล่าวว่าไล่ผัวไปหาถ้วยเหล้าแต่เมียที่เวียนกล่าวโทษผัวกระแทกกระทันไม่ได้หยุดนั้น ไล่ผัวไปไกลกว่าถ้วยเหล้ามากคือไล่ลงตรงไปโรงเลี้ยงบ้าทีเดียวโรงเลี้ยงบ้าก็หมายถึงโรงพยาบาลจิตเวชในสมัยนั้นนะคะคือสถานที่ดูแลผู้ป่วยทางจิตเพราะเมียชนิดนั้นจับความผิดเล็กน้อยของผัวมาผูกไว้กับชายกระเบนผัวเหมือนกับเอากระป๋องผูกหางหมา มันจะวิ่งเหยียดสีขาหนีไปสักกีย่ยอดกระป๋องก็ยังติดอยู่นั่นเองเป็นเครื่องรำคาญยิ่งนะชายจะมีเมียควรหลีกหญิงชนิดนั้นวงเล็บถ้ารู้ทันจะหลีกได้และหญิงชนิดนั้นถ้าไม่อยากจะมีผัวเป็นบ้าก็ควรรู้สำนึกคิดกลับใจเสียใหม่การกล่าวโทษกระทบกระแทกจำจี้จำชัยนั้นเป็นการให้ทุกข์ในเวลานี้ โดยหวังสุขข้างหน้าแต่สุขข้างหน้านั้นเป็นของไม่แน่วงเล็บหรือถ้าแน่ก็แน่ไปข้างหน้าว่าจะไม่มีส่วนทุกขปัจจุบันนั้นเป็นของแน่ยิ่งนะถ้าเมียตาบอยกล่าวโทษผัวว่ากินข้าวมุมมามก็โดยหวังจะให้ผัวหยุดมุมมามเป็นเครื่องเพิ่มพูนความสุขผัวจะหยุดมู ม, มามได้หรือไม่ไม่แน่แต่ผัวคงจะได้รับทุก เพราะเมียตาบอยกล่าวโทษนั้นเป็นแมน่อย่างน้อยก็กินข้าวไม่ใคร่อิ่ความจู้จี้กระแทดกระทันไม่รู้หยุดหย่อนอาจเป็นเครื่องส่งผัวไปโรงเลี้ยงบ้าได้เสมอแต่ความสุขวันหน้าเป็นของไม่เที่ยงเลยเพราะฉะนั้นการหาความสุขควรหาวันนี้ไม่เชรอไว้พรุ่งนี้ ถ้าใครให้เช็คความสุขแก่เจ้าในวันอาทิตย์เจ้าก็ไม่ควรรับควรเรียกเงินสดในทันทีทีเดียวเพราะวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแบงก์เปิดนั้นพรุ่งนี้หาใช่วันนี้ไม่อันหนึ่งพรุ่งนี้อาจเป็นวันจันทร์ที่แบงก์ปิดเพราะแข่งมา้าหรือเพราะเป็นวันบรมราชาพิเศษหรือเพราะเหตุอื่นก็ยังได้ ในความหมายนี้ก็คือขอให้มีความสุขในปัจจุบันเอาไว้ก่อนเพราะอนาคตเป็นของไม่แน่ไม่นอนจากนั้นจางวังรำก็พูดถึงความขัดแย้งในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์นะคะพูดถึงเรื่องของการที่มีความขัดอกขัดใจกันทั้งก่อนแต่ง แล้วก็หลังแต่งลองฟังดูนะคะสำนวนอของนอมสอนี่ค่อนข้างจะจิ๊จาดมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาในสมัยก่อนแต่ฟังแล้วสนุกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันจริงๆแต่การขัดใจแม่สาวของเจ้านั้น้าเจะคิดจะลองทำก็ต้องระวังจงน หญิงกับชายคู่รักที่วิวาดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรชายคงจะเป็นผู้ผิดแน่เพราะชายที่ขัดใจกับหญิงที่รักนั้นถึงจะเป็นผู้ถูกในชั้นต้นก็คงจะต้องเป็นผู้ผิดจนได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นชายที่คิดจะแต่งงานควรฝึกซ้อมขอโทษสิ่งที่ไม่ได้ทำและคาที่ไม่ได้กล่าวเสียแต่ต้นมือถ้าจะมัวเถียง ว่าก็เมื่อไม่ได้พูดจะว่าพูดอย่างไรไม่ได้ทำจะว่าทำอย่างไรก็คงจะต้องเถียงกันวันยังค่มคืนยังรุ่งไม่มีที่สุดไหนๆก็จะต้องขอโทษในที่สุดอยู่แล้วจะมาเสียเวลาเถียงกันให้คอแห้งทำไมเล่าอันนี้ก็เป็นการประชดประชันผู้หญิงนะคะว่าเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไร ผู้ชายก็เป็นฝ่ายผิดวันดังคำ่ำไม่ได้ทาก็หาว่าทำไม่ได้พูดก็หาว่าพูดแล้วถ้าจะให้ดีถ้าจะให้จบผู้ชายก็ต้องเป็นคนขอโทษแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทาจะไม่ได้พูดก็ตาม <c oughs> เมื่อเจ้าแต่งงานแล้วถ้าเกิดขัดใจกับเมียเจ้าจงอย่าเพียนชี้แจงว่าเจ้าไม่ใช่ผู้ผิดเพราะเมื่อเจ้าได้ชี้แจงจ่าแจ้ง จนปัญญาสิ้นไส้สิ้นพุงเจ้าแล้วเขายังจะมีคำที่ไม่ได้พูดอีกกระบุงหูเพราะเป็นแม่ทัพที่ใช้กองหนุนดีกว่าเจ้าเจ้าคงแพ้จนได้ผัวกับเมียอยู่ด้วยกันถ้าไม่วิวาดกันบ้างก็ผิดธรรมดาเพราะมนุษย์มีสภาพเป็นสัตว์ที่ต้องวิวาดกันบ้างแต่การกล่าวคาสุดท้ายในการวิวาทวงเล็บคือความชนะนั้น ยอมจะเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยอมให้กล่าวเสียเร็วๆ เ, เ, เห็นจะดีกว่าแต่ถ้าเจ้าไปได้เมียที่ชอบวิวาทจริงๆเข้าแล้วถึงจะยอมให้กล่าวคำสุดท้ายวันหนึ่งตั้งหกครั้งก็คงจะมีเรื่องที่เจ็ดมาตั้งวิวาทใหม่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นกรรมของเจ้าเอง ส่วนแม่สาวที่สิงอยู่ในใจบัดนี้นั้นเจ้ายังไม่ได้บอกข้าว่าเจ้าได้ทำความตกลงกับฝ่ายหญิงแล้วเพียงไหนหรือยังมีข้อขัดข้องที่สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างการทำพิธีสู่ขอข้าเข้าใจว่าจะต้องตกเป็นหน้าที่ของข้าและถ้าแม่สาวคนนั้นคือแม่สาวสีนินอ่อนหรือใครซึ่งเป็นที่ชอบใจข้า ข้าก็เต็มใจที่จะรับหน้าที่อันนั้นมีข้อที่ข้าจะเตือนเจ้าอีกข้อหนึ่งก่อนหยุดเขียนหนังสือฉบับนี้ถึงจะกล่าวซ้ำความก็คงไม่เสียหน้ากระดาษเปล่าเจ้าเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยได้เท่าไหร่ใช้หมดสำหรับตัวเจ้าเองมาจนบัดนี้ต่อไปนี้เจ้าจะมีเมียถายเจ้าจะยังใช้เงินทั้งหมดอยู่อย่างเก่าก็ทำเนา แต่อย่าลืมว่าเมีย จ, จะเป็นผู้ช่วยใช้ด้วยชายบางคนไปโรงเตียมเสียเงินสามบาทซื้ออาหารที่กินเข้าไปเป็นปราคาบาทเดียวและแบ่งเงินให้แกเมียบาทหนึ่งสำหรับไปซื้อพริกกะปิหอมกระเทียมที่ร้านชาให้ได้เท่ากับสามบาททั้งบอกให้เก็บสตางเล็กสตางน้อยที่ร้านชาทอนให้นั้นผสมไว้ซื้อเข็มกลัดเพชรให้จนได้ ชายชนิดนี้ซื้อบุรีเดอะมาสเดอรโคโรนาด้วยเงินที่มียอายากได้ไปซื้อกำไรมือก็เป็นอันว่าสูบกำไรมือเสียวันละหน่อยนั่นเองลงนามจางวังรำจดหมายฉบับนี้สนุกมากนะคะต้องบอกว่า เอเป็นคําสอนในเรื่องของการเลือกคู่สําหรับผู้ชายที่ยังคงใช้ได้อยู่เสมอไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอการการที่ผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องยอมยอมผู้หญิงอะเป็นฝ่ายยอมผู้หญิงยอมว่าเป็นฝ่ายผิดเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันเงียบลงทีนี้มาถึงจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะ คือฉบับที่เจ็ดค่ะฉบับที่เจ็ดกรุงเทพถึงเจ้าสนผู้บุตรเจ้าอ่านจดหมายที่ข้าเคยมีไปถึงเจ้าฉบับก่อนๆเคยเห็นขันที่ตรงไหนบ้างหรือเปล่ามีผู้มาบอกข้าว่าคนเป็นอันมากอ่านสำเนาจดหมายเหล่านั้นแล้วพากันเห็นขันทำให้ข้าประหลาดใจนะอันที่จริง คาตั้งใจจะสั่งสอนเจ้าด้วยถ้อยคำที่เฉียบขาดเหมือนตัดหยวกด้วยดาบแต่เมื่อเขียนว่าดาบไพรไปอ่านว่าขันก็เป็นอันจนใจมิหนำซ้ำสะกดตัวนอด้วยขันในที่นี้เนี่ยคือพระขันนะคะก็เป็นการเล่นคำผู้ตั้งตัวเป็นผู้ให้โอวาตเผอิญไปพูดให้คนเห็นขันเข้านั้น เป็นคนเคราะห์ร้ายเพราะโอวาทที่กล่าวนั้นผู้ฟังเห็นเป็นตลกไปหมดถ้าคำไหนไม่ขบขันก็ตรึกตรองในใจว่าความขบขันคงจะซ่อนเบ้นอยู่ที่ไหนแต่หากปัญญาของตนไม่ได้หยอดน้ำมันเดินไม่สู้คล่องจึงไม่เห็นความขันในขณะนั้นก็เมื่อผู้ฟังไปมัวพะวงถึงความขันอยู่เช่นนี้โอวาทที่กล่าวนั้น ก็เหมือนน้ำค้างซึ่งหยาดลงทะเลทรายเมื่อข้ายังเล็กๆข้าไม่ใคร่ชอบฟังครหัด ส, สี่คนสวดที่หน้าศพชอบฟังพระสี่องค์ที่โกนผมครองสบงจีวรจริงๆแต่ข้าไม่ชอบให้สวดพระธรรมล้วนจะสวดนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอก็ไม่ว่าแต่ต้องขอให้สวด ย, ยิเกออกส2บสองภาษาเร็วๆหน่อย ในเวลาที่สวดเพระอธรรมนั้นคนอยู่ที่นั่นไม่เห็นมีใครฟังบ้างก็คุยบ้างก็เล่นมักรุกโดยมากไปอยู่ที่อื่นเสียด้วยซ้ำพอจบสวดยิ่เกขึ้นสิคุยก็หยุดมักรุกก็เลิกคนที่ไปนั่งเสียที่อื่นก็มานั่งแงนคออยู่ออกแน่นบ้างก็อ้าปากเอาด้วยซ้ำความหัวเราะนั้นถ้าชั่งน้ำหนักได้คนหนึ่งหนึ่ง คงจะเปลืองไปหลายหลายช่างจนความประสงค์ดั้งเดิมในการสวดพระธรรมนั้นสูญไปในการสวด ย, ยิเกหมดส่วนการเทศมหาชาตินั้นเล่าในการชูชกมหาพลมหาราชเหล่านี้เมื่อถึงแลเล่นตลกก็ดูช่างเล่นได้หลายทางตั้งแต่ร้องเพลงหัวหกก้นขิดไปจนเทศธรรมวัด ต, ตลกการเทศธรรมวัด ต, ตลกนั้น ก็เอาธรรมะจริงๆมากราวเชเะๆเสียหมดข้าจำได้ว่าเมื่อข้าเพิ่งโกนจุกใหม่ๆหลายสิบปีมาแล้วได้ยินนักเทศสำคัญเทศธรรมวัตรในการมหาราชข้อที่หนึ่งที่แกกราวในคืนนั้นข้าเห็นขันมากมายเลยยังไม่ลืมจนป่านนี้คือแกกราวถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารพูดครองกันเป็นกรน ตามธรรมนองมหาชาติยกอุทาหนสกปรกว่าถึงสาวสาวที่ว่าสวยสมไม่เชื่อลองระบายลมออกมาเถอะเม้นนี่เป็นคำพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองพูดบนธรรมชาจริงๆในเวลาเทศมหาชาติข้ามิได้แท่งประดิษฐ์ถ้อยคำขึ้นกล่าวหาความเลยคืนนั้นมีคนมียศมีศักดิ์ฟังอยู่มาก แกจริงกล่าวแต่เพียงว่าสวยสมเขาว่าถ้าเทศในสมาคมซึ่งไม่ต้องพิถีพิถันถ้อยคำแก่ว่าสวยสดออกมาตรงๆทีเดียวคือสวยสมก็สัมผัสกับคำว่าประบายลมใช่ไหมคะซึ่งก็รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ถ้าเกิดว่า อีกวร์ชั่นหนึ่งไม่ต้องระวังคือเทพในที่ที่ไม่ต้องพิถีพิถันถ้อยคำก็ว่ากันตรงๆนะคะก็จะเปลี่ยนจากคำว่าสวยสมเพื่อให้คล้องกับคำว่าจุดจุดจุดอ่าบอกแค่ก็ได้กับคำว่าตดนั่นเองนะคะสวยสดก็สัมผัสกับคำว่าตดใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดใช้ระบายลมก็เปลี่ยนเป็นสวยสมก็เป็นความเป็นความเป็นอารมณ์ขันนะคะ แล้วก็เป็นความสามารถในการเล่นภาษาในการเทศซึ่งผู้เขียนก็คงมีความชื่นชมในวัยพริบปฏิพานของผู้เทศนะคะในการเลือกใช้คำเปรียบเปรยให้เหมาะสมกับสถานที่โดยที่ความหมายเนี่ยยังคงเดิมจากนั้นจางวังรำก็กล่าวต่อไปว่าคืนนี้ ข้าเห็นขันยิ่งยวดถึงแม้หลายสิบปีมาแล้วก็ยังไม่ลืมเพราะมันฝังลงไปทันทีในใจเด็กส่วนแม่สาวๆที่นั่งฟังอยู่นั้นต่างคนก็นึกรับเอาว่าพระท่านพูดถึงตัวทำท่าทางอายกระมิดกระเมียนยิ่งทำให้ขันหนักขึ้นนี่แหละการเอาธรรมะจริงๆมากล่าวเฉยๆให้คนฟังหาคลื่นๆนั้นธรรมะ เลยจมไปในวาจาตลกหมดก็เหมือเป็นเช่นนี้คำพูดของคนเร็วๆอย่างเราจะลอยอยู่หลังตมอย่างไรได้บัทนี้จะเลิกพูดถึงการให้โอว่าเสียทีหันไปเล่าให้เจ้าฟังอนุสนคาที่ข้ากล่าวไว้เมื่อวันทาบุญแซยิทเมื่อเดือนก่อนเจ้าคงจะจําได้ว่าข้าได้กล่าวไว้ในมิตรสมาคมว่า เงินที่ข้ากันไว้สำหรับทําบุญอายุครบ60สปีนั้นยังจ่ายไม่หมดเพราะรูปงานที่ทําเล็กกว่าที่คิดไว้เงินจึงเหลืออยู่เป็นจำนวนตั้งหมื่นข้าตั้งใจจะใช้เงินนั้นให้สิ้นไปในทางที่เกิดประโยชน์แก่มนุษยยโลกทั่วๆไปไม่ใช่จะเจาะจงให้แก่บุคคลหรือประชุมชนใดโดยเฉพาะ แต่ข้ายังไม่รู้ว่าทางไหนจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นบรรดามิตรสหายชาวเกรอหรือผู้มีปัญญาใดๆก็ดีถ้ามีความคิดปรุงโรดเห็นทางที่ข้าจะใช้เงินรายนี้ให้ได้ผลสมประสงค์และมาแนะนำให้ข้าเห็นพ้องด้วยไซก็จะนับว่าได้ทำบุญคุณแก่มนุษยโลกบ้าง พวกที่อยู่ในสมาคมวันนั้นได้ช่วยกันออกความเห็นหลายคนความเห็นที่เป็นกล้วยน้ําว้าก็คือว่าให้เงินแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ซื้อเครื่องมือผ่าตัดหรือซื้อเตียงคนไข้หรือใช้อย่างไรที่เป็นประโยชน์ทํานองเดียวกันแต่คําแนะ น, นํานี้ผิดกับความประสงค์เดิมเพราะโรงพยาบาล เป็นที่ประชุมชนหมู่น้อยเมื่อเทียบกับมนุษยโลกสมุแสงเห็นว่าควรสร้างพระเจดีย์ปิดทองทั้งองค์แล้วแขวนไฟฟ้าเป็นสายสายตั้งแต่ยอดมาถึงฐานล่างอย่างในเมืองพม่ากล่กาวว่าเป็นการแผ่พระศาสนาออกไปอีกหน่อยหนึ่งในมนุษยโลกแต่ถูกขัดคอว่าเงินไม่พอทำไม่ได้ อีกประการหนึง่งพระเจดีในโลกนี้ก็มีมากมายหลายแหล่อยู่แล้วทั้งความเลื่อมใสของเจ้าของเงินก็หาเป็นไปในทางนั้นไม่นกรมเห็นว่าน้ำตาลเมานั้นราคาย่อมเยาวเป็นของดีมิเชเลนถ้าใช้เงินบำรุงในการทำน้ำตาลเมาโดยวิทยาศาสตร์จนมีฤทธิ์ทำให้คนเมาได้เหมือนพระอินเมาสโอมะ มนุษย์โลกก็จะเป็นสุรโลกเจ้าจ้องเป็นคนไม่กินเหล้ามันขัดคอในกรมว่าถ้าสุรโลกคือโลกสุรามันก็ย่อมอยู่อสุรโลกมากกว่าความร้ายกาจแห่งอสุรโลกคงย่อนกว่าโลกสุราเป็นแน่อนหนึ่งมันไม่ต้องการเห็นในกรมส้มซานลงไปนอนหลับอยู่ในท่อข้างถนน แล้วตื่นขึ้นบนว่าชื้นใครอีกคนสอดขึ้นว่ามันก็ต้องชื้นอยู่เองเพราะรูปการเช่นที่เจ้าจ๋องนั้นกล่าวย่อมจะเปียกและถ้าจะให้แห้งก็ต้องย้ายทวีไปอยู่อเมริการะหว่างนั้นในกรมเพียรจะให้มนุษยโลกกลายเป็นสุรโลกรินโซมะเติมเข้าไปอีกเป็นกองจนมีอาการซึมเซา ดูเหมือนจะจับเขาไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรกันอีกประเดี๋ยวขยับตัวไปทับกระโถนซึ่งตัวหยิบมาวางไว้เองกระโถนหกเปื่อนเปื่เลอะเธอเลอะเอะอะโกรธคนใช้ว่าไม่มาเก็บไปเสียก่อนที่แกทำหกเพราะถ้ามันไม่อยู่ที่นั่นแกจะทำมันหกตรงนั้นอย่างไรได้ข้อที่นายกรมว่านี้ก็จริงถ้ากรุงลงกาไม่ได้ตั้งอยู่บนเกาะลงกา อนุมานก็คงไม่ถูกครุกนุ่นที่เกาะนั้นเอาละค่ะฟังกันเพลินเลยทีเดียวนะคะคนอ่านก็เพลินเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราคงจะต้องพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอ่านจดหมายจางวังรำกันต่อนะคะซึ่งในช่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นตอนท้ายของจดหมาย เหบุผสุดท้ายมีเรื่องที่จางวังรัเนี่ยไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะโอ้โหซึ่งเป็นผู้ชายที่มีความรู้มากเลยทีเดียวผู้ชายคนนี้จะเป็นใครติดตามได้ช่วงหน้าคะ่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน สู่ช่วงที่สองนะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับจดหมายฉบับสุดท้ายฉบับที่เจ็ดของจาย์วังรัมที่เขียนไปถึงลูกชายนะคะแล้วก็สําหรับตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของจดหมายฉบับสุดท้ายเนี่ยอันนี้สนุกมากนะคะเพราะว่ า, าจางหวังรัม ได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากค่ะผู้ชายคนนี้โอ้โหพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยนะคะผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วก็จางวังรำสอนลูกหรือว่าได้ข้อคิดอะไรจากการที่ได้พบกับผู้ชายคนนี้เอาละค่ะถ้าคุณได้ฟังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านจดหมายจางวังรำกันต่อ ว่าฉบับนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะในวันนั้นมีอีกหลายคนที่ออกความเห็นต่างๆกันว่าควรใช้เงินในทางใดจึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยโลกมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ โดยจํานวนเงินอันน้อยโดยมากเป็นความเห็นซึ่งโง่โดยดีกรีต่างๆกันที่โง่น่าสงสารก็มีโง่แสนเข็นก็มีโง่กว่านั้นก็มีในที่สุดไม่มีใครแสดงความคิดเป็นสาระควรฟังได้ว่าควรใช้เงินอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เซีโลกดังประสงค์แม้ผู้ที่แนะนำ ให้ตั้งสานักวิทยาศาสตร์ทดลองความรู้ต่างๆเผื่อจะได้วิชาใหม่ๆเป็นประโยชน์แก่โลกก็ยังใช้ไม่ได้เพราะการทดลองนั้นจะได้ผลดีน้อยรายนักถ้าจะมัวแต่ทดลองยังไม่ทันจะได้ประโยชน์อะไรก็หมดเงินเปล่าแต่ขาวเรื่องเงินหมื่นบาทนั้นเรื่องลือไปเร็วราวกับเรือหอ วันรุ่งขึ้นนั้นเองในตอนเย็นข่าเดินเล่นอยู่ในลานบ้านมีเจ้าคนหนึ่งตรงเข้ามาหาแล้วทำหน้าซีดยังไม่ว่าอะไรข่ายังไม่เคยรู้จักคนนั้นพิดดูรูปโฉมเห็นเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่โดยอายุเอวบางโดยความอดโซคลำค่าโดยเครื่องแต่ง ดูเสื้อผ้ารุงรังเหมือนสับ ป, ปะเรอะสีหน้าซีดเหมือนศพข้านึกในใจว่าเจ้าคนนี้ทำผิดเพราะบุคคลไม่มีสิทธิ์จะเหมือนสับ ป, ปะเรอะกับเหมือนศพพร้อมกันได้ข้าถามว่าเจ้านี่ใครมาทำไมผมได้ยินว่าท่านนะ่ะต้องการความคิดซึ่งจะช่วยให้ท่าน ได้ทำการเป็นคุณประโยชน์แก่โลกมนุษย์ทั่วไปอ๋ออย่างนั้นหรือแกจะมาให้ความคิดชั้นในทางที่ใช้เงินหมื่นบาทแต่ชั้นจะขอให้ความคิดแกก่อนถ้าแกไปทำตามที่ชันแนะนำเสร็จแล้วชั้นจะทำตามความคิดแกอ๋อก็แล้วแต่ท่านสิครับถ้าอย่างนั้นชันแนะนำให้สับปเปอรอไปเผาศพเสียก่อน จะนั่นทำหน้าชงนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าท่านนึกว่าผมเป็นสั์ ป, ปะเลอดอกกระมังเปล่าข้าไม่ได้นึกว่าสับ ป, ปะเลออย่างเดียวนึกว่าศพด้วยตามธรรมดาโลกสับ ป, ปะเลออาจเป็นศพได้แต่ศพจะเป็นสับ ป, ปะเลอไม่ได้อันหนึ่งบุคคลไม่มีสิทธิ์จะเหมือนสับ ป, ปะเลอกับศพพร้อมกันเพราะเป็นการขัดขืนธรรมดาแห่งโลกแต่การก็เป็นไปแล้วดังที่ได้เห็นอยู่ทนโทษ เพราะฉะนั้นจึงควรให้สั ป, ปะเรเอไปเผาศพเสียเจ้าคนนั้นถึงกับนิ่งอึง้งตอนแรกดูอาการเหมือนจะโกรธจนพูดไม่ออกตามันจ้องดูตาข้าอย่างองอาจดูตาออกจากขวางวางอยู่ด้วยแต่พอข้าพูดจบก็ดูสีหน้ามันค่อยคลายไปแล้วพูดช้าๆเหมือนช่างน้ําหนักคำพูดทีละคําทีละคำว่า My good sir, listen to me. Your levity is much to be regretted. You have spent long and arduous days in building up your present position of wealth and influence. You have had rough days and smooth days, days which were. Full of good things of life, and days with you would not care to live through again. The god of wealth was not present to bless you at your birth, and you were compelled to make your way in the world. But you may now. Be said to have arrived in your early days. Your path was strewn with sharp stones, but it is now paved with silver bricks. Apart from your wealth, you have a reputation to save God. earnestly advise you take care I it to you of จากการที่ชายคนนั้นได้กล่าวมาก็ทําให้จางวังรำรู้สึกประหลาดใจจนพูดไปออกชายคนนั้นก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่า Now listen to me. And answer my question if you will. Yesterday, you expressed to a gathering of respectable people a desire to benefit the human race and invited i d e a as to how that might be done. Here am I, with a suggestion to offer, and you choose to treat me. in a most unseemly manner i should like to ask how you reconcile your f a v o r i t e speech today with the words with you uttered in all solemnity yesterday นี่คือคำกล่าวของชายแปลกหน้านะคะที่ได้กล่าวกับจางวังรำ ซึ่งเหมือนกับเป็นการสอนจางวังรำว่ากว่าที่จางวังรำจะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีอิทธิพลได้ถึงตอนนี้จางวังรำก็ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากวันเวลาที่ทั้งดีวันเวลาที่ทั้งไม่ดีคือไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิดก็ได้ผ่านความลําบากต้องเพียรพยายามในการ สร้างชีวิตมาชายผู้นี้ก็พูดเป็นํำนองว่า เ, าเขาเองเนี่ยก็ได้เสนอวิธีการวิธีการที่ดีให้กับจางวังราแล้วก็รู้สึกว่าตัวจางวังรําเองเนี่ยก็เคยพูดอย่างจริงจังอย่างขึงขังแต่ว่าในการกระทำกลับทำอีกแบบหนึง่งคือเหมือนกับว่าสอน เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสอนโดยผ่านการการพูดภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จางวังรำก็ถึงกับอึ้องไปเหมือนกันนะคะลองมาฟังเนื้อความในจดหมายกันต่อค่ะข้ายังพูดไม่คล้ายออกขนรูปร่างกิริยาอาการอย่างนั้นใครจะเดาถูกว่าพูดอังกฤษได้ออกจอ้อผู้เคยเรียนเล็กๆน้อยๆรู้อย่างงูงูปลาปลาพูดเช่นนั้นไม่ได้ ค, ควรจะโกรธมากที่คนอย่างเจ้านั่นมาพูดสั่งสอนทักท้วงค้าแต่ความประหลาดใจทำให้ลืมโกรธความดูถูกและความเย้ยหยันที่มีในใจข้าหมดไปทันทีความเลื่อมใสเกิดมีขึ้นมาบ้างไม่ใช่ข่านึกว่าเจ้าคนนั้นจะมีความคิดปรุ่งโรดเป็นประโยชน์จริงๆแต่นึกว่าควรฟังดูทีอย่างน้อยที่สุดคงมีอะไรแปลกเพราะคนอย่างนี้ แต่เพียงพูดอังกฤษได้คล่องก็แปลกเสียแล้วข้าถามว่าแกนี่ใครเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ไหนเจ้านันได้ฟังย้อนถามว่าท่านยอมฟังผมพูดต่อไปหรือข้าพยักหน้าว่าจะว่าอะไรก็ว่าไปเจ้านันตอบว่า ผมชื่อเขียวสุรานันได้เคยศึกษาเป็นป ร, ริญญนของมหาวิทยาลัยแห่งตักกาศิลาขะท้วงว่าช้าก่อนผู้ได้ไปเห็นกรุงตักกาศิลากล่าวว่ากรุงนั้นเวลานี้ยังปรากฏแต่รากตึกซึ่งก่อด้วยหินรัฐบาลอินเดียเพิ่งขุดพบเมื่อเร็วๆนี้แต่ก่อนก็ไม่มีใครรู้แน่ว่ากรุงตักกศิลาอยู่ที่ไหน นายคอสอตอบว่าก็ทันพูดเวลานี้ผมออกจากมหาวิทยาลัยมานานแล้วจะรงลอยกันได้อย่างไรขาเกิดหนักใจขึ้นมาทันทีถนายเขียวสุรานันต์อายุหนึ่งพันห้าร้อยปีขึ้นไปจะว่าเคยอยู่มหาวิทยาลัยตักกะศิลาก็พอฟังได้แต่นี้อายุก็ราวสี่สิบปีเท่านั้นจะว่าตั้งใจขี้ปดก็เหลือเกินนักไม่นึกว่า แกจะเห็นเราโงา่ถึงจะเชื่อคำอย่างที่แกพูดนึกไปนึกมาเห็นจะต้องตกลงใจว่ามันสมองแกไม่ปกติเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเคยอยู่มาหาวิทยาลัยตักกศิลาเจียวหรือมิหน้าความรู้สูงแล้วอย่างไรต่อไปท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่ากรุงตักกศิลานั้น เมื่อครั้งพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราเชเสด็จญาตราทัพเข้ามาก่อนคริสตกาลหลายร้อยปีก็เป็นกรุงจำเริญเสียแล้วอาจทราบได้จากหนังสือที่มีผู้เขียนไว้แต่สมัยนั้นว่าตกาิลานะเป็นเมืองมั่งคั่งโดยรัพย์ขับคั่งโดยประชารชานกรอบด้วยศิลปศาสตร์วิชาการเปรียบเหมือนอมมรสถานที่สถิตแห่งวิศวนาฏ หรือหนึ่งเทพพราชสุเรนทาทิปัตมีสเสวตฉัตรร่มเย็นเป็นสุขทุกประการข้านั่งนิ่งฟังพูดครองกันเป็นกรอนแทบจะเพลินนึกว่าหมอนี่บ้าเป็นแน่แต่ความรู้ที่กล่าวนั้นเป็นความรู้จริงทั้งนั้นยังตัดสินใจลงไปว่ากะไรไม่ถูกข้าจึงบอกว่า เล่าไปอีกทีสิต่อมาเมื่อพระเจ้าจันทระคุปตะมีอนุภาพปราบศัตรูชาวต่างประเทศได้ทรงตีพวกกรีซซึ่งมาตั้งปกครองอยู่ในอินเดียนั้นแต่กลับไปจนได้ตักกศิลาไว้ในราชาณาเขตครั้นพระเจ้าจันทระคุปตะสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าพินทุสารเสวยราช ชาวตักกศิลาตั้งแข็งเมืองจนต้องโปรดให้พระเจ้าอาโศกผู้เป็นพระยุพ ร, ราชยกทัพไปตีแล้วตั้งให้อยู่ปกครองในกรุงนั้นพระเจ้าอาโศกนี้ภายหลังได้รับราชสมบัติเป็นมรดกต่อจากพระบิดาคือพระเจ้าอาโศกผู้ทรงฉายยาวาดัดธํามิก ร, ราช เป็นศาสนูประถมพกสำคัญในตานานพระพุทธศาสนาของเราข่าว่าถูกละเล่าไปอีกขอศอขอสอในที่นี้ย่อ ม, มาจากเขียวสุรานันนะคะนายขอสอ ท่านย่อมทราบจากหนังสือชาดกหลายเรื่องมีอาทิคือทุมเมธชาดกและปัญจาวุฒชาดกว่าตักกศิลามหาวิทยาลัยนั้นรุ่งเรืองมากพระโพธิสัตว์บางชาติได้เป็นสิทธิ์บางชาติได้เป็นอาจารย์อยู่ในที่นั้นต่อมาภายหลังพุทธกาลกรุงตักกศิลาเป็นแหล่งสำคัญในการปฏิบัติและคาสั่งสอนแห่งพระพุทธศาสนา ส่วนพระเจ้าอโศกธำมิกราชนั้นได้ทรงรับพระพุทธศาสนาของพระองค์พระราชโอรสและธิดาก็ได้ทรงผนวดเป็นภิกษุณีแม้นพระองค์ก็ได้ทรงผนวดเหมือนกันอันหนึ่งในระหว่างพระชนนั้นได้ทรงจัดทูตไปเที่ยวเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศแม้พระราชโอรสที่ทรงผนวดก็จะเป็นหัวหน้าคณะทูตไปถึงลังกา และเสด็จอยู่เป็นสังคายกอยู่ในเมืองนั้นเวลานี้นับพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยและเมืองอื่นๆได้จํานวนถึง470ล้านหรือหนึ่งในสของจํานวนมนุษย์ในโลกก็การแผ่พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธศาสนิกชนย่อมเห็นถนัดว่าเป็นคุณูปการแก่มนุษย์โลก ยิ่งกว่าการกระทาการอื่นข้านึกในใจว่าเจ้าคนนี้เห็นจะแนะนำให้ใช้เงินหมื่นบาทในการแผพ่พระพุทธศาสนาตามกำลังเงินจะทำได้ดูก็เข้าเขาดีข้อสำคัญอยู่ในวิธีอันพึงกระทาซึ่งยังหาได้กล่าวออกมาไม่ถ้อยคำที่พูดและความรู้ที่แสดงนั้น ฟังดูก็ไม่จำเป็นว่าจะฟันฟ่นเฟือนจริตแต่ชะไหนจึงประกาศตนว่าเป็นเปรียนมาจากมหาวิทยาลัยแห่งตักกศิลาน่าสงสัยนะคือทุกอย่างที่พูดฟังดูดีมีเหตุมีผลมีความรู้หมดเลยติด อ, อยู่นิดเดียวที่บอกว่าตัวเองเป็นเปรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งตักกศิลาเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งตักกะศิลานั้นตอนนี้เหลือเพียงแต่ซากเพราะว่าถูกทาลายไปนานแล้ว อันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนก็สงสัยข้าพูดว่ามีความเห็นอย่างไรอีกก็ว่าไปการแผ่ความรู้หรือความสั่งสอนก็ดีความสำคัญอยู่ในข้อที่เลือกคำใช้ให้เหมาะและอยู่ในวิธีที่เอาถ้อยคำเหล่านั้นมาร้อยกรองกันเข้าให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้นว่า ถ้าจะสอนคนว่าข้างๆตัดเต่าร้างช้างกินใบไผ่ยักษ์กินหญ้าม้ากินสลัดใดเช่นนี้ก็ไม่มีใครเข้าใจว่าสอนอะไรผู้สอนเหมือนคนโง่ที่ตัดลำไม้ไผ่ตายขุยมาปักดินรากจะงอกและจะแตกกอไปได้อย่างไร นายขอซอกล่าวต่อไปอีกว่าก็การเลือกถ้อยคำที่เหมาะและร้อยกรองคำให้ไพเราะนั้นใครเล่าจะดีเหมือนกวีถ้อยคำที่กวีกล่าวย่อมปรากฏไปนานและไกลอาจยกตัวอย่างให้เห็นได้ไง่ายๆโอมาขยำจินตะกวีเปอร์เชียนได้ตายไปแล้ว นับถึงเวลานี้ได้แ0 0ร้อปีเมื่อแกยังมีชีวิตแกได้แต่งกลอนไว้เป็นใจความว่าเมื่อแกตายไปแล้วให้ชำระศพด้วยเหล้าถ้าจะมีการสวดให้เพลงขี้เมาเมื่อถึงวันที่สุดแห่งโลกคือวันตัดสินบาปและบุญและถ้าจะต้องการตัวแกไซ ให้ไปขุดหาศพที่ใต้ร้านขายเล่าคำที่แกยกกล่าวนี้ถ้ากล่าวเป็นร้อยแก้วท่านกับผมก็คงไม่ได้ยินใครจดจำมาบอกเล่าหรือเขียนไว้อ่านเราอาจไม่รู้จักชื่อแกเลยทีเดียวพ้นเวลาโอมาคขยั ม, มาเ ก, กือบห้าร้อยปีเชคสเปียร์ได้แต่งบทละครไว้หลายเรื่องเรื่องแฮมเล็ต Romeo a แ d j u l จูเ c a e ซีซเหล่านี้ถ้ามาได้ตางเป็นกอนยังอยู่ถึงป่านนี้หรือไม่ก็น่าสงสัยถึงแม้จะยังอยู่ก็คงไม่เป็นหนังสือที่คนนับถือถึงเพียงนี้เป็นแน่ช้าก่อนโอมาขยามและเชกสเปียร์ติดต่อกับอโศกรรมิกราตรงไหนติดต่อที่ตรงนี้ครับพระเจ้าอาโศก เป็นผู้จัดให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแพ่กว้างออกไปโอมาขยำกับเชกสเปียเป็นผู้ชำนาญเลือกถ้อยคำมาร้อยกรองคือเป็นกวีเลิศถ้าเอาความสองข้อนี้มารวมกันเข้าก็คือใช้กวีเป็นผู้แพ่พระาศาสนานี่แกเป็นกวี จะมารับจ้างแต่งกรอนสอนพระพุทธศาสนาอย่างนั้นหรือหามิได้ผมไม่ได้เป็นกวีและการสอนศาสนาก็สอนไม่เป็นก็จะทำให้อะไรนายเขียวสุรานันทําำคิ้วขมวดเหมือนจะตันความคิดอยู่เพียงนี้เองแกนั่งเอามือลูบหัวอยู่สักครู่หนึง่งแล้วจึงพูดว่าอืม ผมก็คิดไม่ตลอดปลอดโปรงเวลานี้มาเจราจากับท่านานานและใช้มันสมองตรึกตรองมากเข้าก็ออกจะปวดหัวซะแล้วข้าถามว่ายานัดเอาไหมนายขอสอรีบตอบทันทีว่ายายาไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องการเมื่อเวลาผมป่วยนะ่ะไอหมอร้ายกาศ มันเอายานัดให้นัดร่ําไปหมู่นี้ค่อยหายป่วยขึ้นก็ไม่ค่อยถูกกับยานัดคราวนี้ข้ารู้แน่ว่าอะไรจึงค่อยๆพูดปลอบโยนเอาใจว่าถ้าอย่างนั้นก็พักสังสนทนาไวท้ทีบ้านในเขียวอยู่ที่ไหนล่ะกลับเสียทีเถอะจะได้พักผ่อนให้หายเหนื่อยนายขอสอตอบว่าขอรับ เห็นจะต้องลาท่านกลับเสียทีวันอื่นจะพูดกันใหม่อ๋อรู้แล้วผมเห็นว่าตั้งโรงเรียนกวีขึ้นก่อนละดีแต่จะต้องให้นักเรียนกวีเรียนธรรมะด้วยโรงเรียนนี้เห็นจะต้องตั้งที่วัดพระสงฆ์ที่ต้องเรียนธรรมะอยู่แล้วเป็นนักเรียนว่าจ้างกาลิทาสะโอมาขยำเชคสเปียร์ องจูและกวีมีชื่อเสียงอื่นๆมาเป็นครูพระสงฆ์เป็นนักเรียนเมื่อออกเทศต้องเทศเป็นฉันเช่นบอกสกราชเป็นสัตทุนแล้วเปลี่ยนเป็นวสันตดิรกตอนกลางย้ายไปเป็นอินทรวิเชียนลงเอวังเป็นผู้ชงคับปราชญเป็นต้นถูกแล้วความคิดดีมากแต่ว่า กลับไปบ้านเสียทีดีกว่าขอรับผมลาทีอ๋อตอนจะถาสับเพีว่าเป็นอุปชาติหรืออุปเปนทระวิเชียงก็ยังได้ได้เป็นแน่ฝนจะตกรีบกลับเถอะขณะนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าประตูมากิริยาท่าทางสุภาพข้าถามว่ามาทำไมตอบว่า มารับน้าเขียวแล้วขอโทษที่เผลอปล่อยให้แกมาเที่ยวยุ่มยามได้เมื่อสองคนนั้นเดินออกไปเสียงต่อว่ากันว่าน้าไม่ถูกกักขังอยู่ในบ้านตามสบายก็อย่าเที่ยวอย่างนี้สิถ้าเขินไม่เชื่อฉันต้องกลับไปอยู่โงรงพยาบาลฉันไม่รู้ด้วยนะครั้นหน้ากับหลานออกจากบ้านไปแล้ว ข้ารู้สึกโล่งในใจนี่กระไรตอนนั้นมามีคนมาแสดงความคิดให้ฟังร่ำไปโดยมากหวังประโยชน์แก่เอกชนคือตัวเองหาใช่มนุษยโลกไม่ในที่สุดข้าเบื่อนักข้าเลยนึกหาทางเอาเองและได้จำนายเงินไปหมดแล้วแต่ข้าทำบุญไม่ต้องการเอาหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาถามข้าข้าก็ไม่บอก ว่าได้ใช้เงินไปทางใดข้อที่ข้าได้ใช้เงินไปหมดแล้วนี้เจ้าจงช่วยประกาศให้ทราบต่อๆกันไปด้วยจะได้หมดความคนกวนเสียทีลงนามจางวางรำ